ภ้วโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะวโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะวโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ข้าพระเจ้าท e ั้งหลายชาวไทยเรียกว่าชาวโยนกแต่เก่าเรียกไทยฮันชาวไทยฮันนี่ได้รับรอยพุทธบาทแต่เจ้าปูเจ้าตามาสมัยพระพุทธเจ้าเสด็จมาจังหวัดจอมทอง พระเจ้าอาลาวีมีผีนักเบียดเบียนกินมนุษย์เมื่อหกหมื่นคนเรียกว่าอาละวาดไงนักภาษาเงี้ยวว่ากินหัวภาษาไทยเราเรียกว่าฆ่ากินคนภาษามคต อาละวาดขยักสมัยพระเจ้าอัลลาวีนี่สิบสี่วัฏสาพระศ า, าสด า, าเสด็จมาผู้ข่าทั้งหลายมัดในสักกุลไทยไทยเหนือไทยใต้ตลอดสิงคโปร์าพระเจ้าขอไหว้รอยพระพุทธเจ้าแต่พระเจ้านิพพานมา สองพัป่ปแล้วพุทธังธรรมังสังคังข้าพระเจ้าถือพุทธมีพระสงฆ์สมเด็จสกราัตลอดมาเถิงคุณตาคุณยายถึงปัจจุบันนี้ถ้าวันธามิสัพพตาข้ารูบ่เขา พระพูดที่เจ้าได้เป็นพระละหันจักคุยานตาเป็นเทดูเห็นบทมันน จาวางลับพุทธได้พระองค์เห็นสเสด็จมาลบบุรีแม่เจ้านางศรีพระจำเป็นเจ้าเมืองมาเหยียบรอยพุทธบาทได้ใช้เสว่าพระบาทลบบุรีนี่เป็นรอยที่หนึ่ง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 อกอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ดวงตาก็ได้ไปภาวนาอยู่ทาบาเมืองภาคโาคฝากน้ำขโขงฝากโน้นส ม, มัยพุทธายอดฟาจุลาโลกเป็นพระเจ้าแผ่ดินฝรังเศษมีอิทเซพนไส้แกว้วมาล็อ ได้ไปต่อสู้กันพวกพม่าฝรัง่งเศสสู้อำนาจไทยไม่ได้ส่วนทบบาลเมืองพระโขหายกลายเป็นชะชขกลิกตาขระเด็ดไปแล้วพาพู้ทบบาทปาเมี่ยงสี่ร้อย ร่วงตาก็ไเด้ดไปแล้วพราบาทบบบกจังหวัดอุดรร่วงตาได้ไปทำความเพลินอยู่นั่นหลายาภาษาพราบาทเวียงจันทร์ผลสันผลแทงรลวงตากลับไปพราบาทขอแก้งจังหวัดหนองคายร่วงตากลับไป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 สัปรปตองพระบาทเรียกเมื่อขี้ออกนัานขี้เฮียใส่ผ้าพระมหาอานนเอาผ้าไปตากเรียกพระบาท ต, ตากผ้าเมื่อฉันบู่แล้วนี่แหละหลักพุทธบาทเป็นมาอย่างนี้หมายให้รู้แต่พระบาทตัตากษศิลา หลวงตาไปทำความเพียรอยู่ได้ในเม็ดมีพระอริยะสององค์เป็นพระบุราณลับตกมีลูก ม, มังับลงมาใต้ดาวสองแสงมากเลยกราบถามท่านว่ารอยพุทธบาทนี้เป็นมาอย่างไร ท่านก็นบอกว่ารอยพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าเป็นพระอาหารหันต์แต่เปลี่ยนแป่งเป็นพระอนาคาให้เป็นรูปไทยถ้าไม่เปลี่ยนแป่งไม่เห็นออกจากโลกุตละมาแล้วมาอาศัยโลกิยะแสดงให้เป็นรูปนิมิตอย่างข้าพระเจ้าเป็นพระ เชื่อของข้าข้ามหาเชื่อองค์นั่นหลืมักอันนี้ความจริงของข้าพเจ้าได้เห็นแล้วได้กลับแล้วอย่าว่าข้าพเจ้ากล่าวอุตลิมิทธธรรมผู้ใดว่าก็ว่าเถอะเป็นอาทียผูนั้นี่ทมที่มันข้าพเจ้าไปพาวนาอยู่จะกลัาไว้ เข้าเนปทานก้าห น, นึ่งเมตศูนย์ออกจากลมแล้วจิตเป็นอรหันต์ย่าดาวยังอาศัยสวรรค์ทองเป็นลมอยู่พร้อมเชืงหงสเป็นลมอยู่ถ้าออกพร้อมแล้วเรียกว่าเนปทานไม่มีเกิดแก่ไม่ตายอย่างดาวครับดาวไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายนี่ละจึงถวายไว้ แก่สมเด็จสักราระคุณตาคุณยายผู้ถือศาสนาพระ阿拉ขันในเมืองไทย ข, ขางเราเอฮิทิคุห้500าร้อยพระองค์เจ๊ยังสองพระองค์อุตระรัศดีอัตศีตรศรีจำวัดจำตุ ง, ต ง, ตงเมืองฝ้ายาต ยังไม่ชนสวายพระเครืงต่อเมื่อท่นมีไตมาจะสวายพระเค่งเ่พระกระปะอยู่ที่ผิเก่งเวนเวลานี้นลังเชิดเนปาลเปลี่ยนไปเดิมทีเมืองผูเก่งอยู่เนปาองนั้นขยัน จังวัดเช้นตรงนี่ยังมีสามองค์ขอโทษขอกราบขอไหวจะปูจะตากัสสปะที่อยู่เมืองขกของนั้นข้าพระเจ้าได้ไปกราบไปไหวแล้วแต่ขอโทษ ขอรรแต่ขันก็ได้ไปนะเจะ้าคุณปู่จคุณตาสำเร็จชะกลาศว่าใจพาไปก็ไม่ใช่เรียกว่าทำไปที่หนึ่งไปปันสินให้ยายเขาผู้บ้านบนนะนายดวงคำเข้าไปลหน เวลานั้นกาวภาษาเทพยูไม่เปิดอยู่มาได้3ปีไปได้ผู้มัมเนมนูน้เรียกว่านายแก้วมันนีไปถึงแล้วนั่นละนายแก้วมันนีวอกได้ถามมันนะนายทำยังไงขอโทษ ทาาอาจารย์ถือพุทโธเสียครับปมศสียษาว่าพุทโธเจ็ดทีเอาใส่ไขออกนี่ตามตามนิมิตว่าฝันก็ไม่ใส่กฝันก็ไม่ใส่ตั้งพุทโธเจ็ดทีเอาศสียษาใส่ไขออกสุดหลุกตาแต่เข้าไปทางตีนเอาหัวเขางั้น เลียนมาเชิงหัวมาเชิงหัวละนอนขวางผ้าสินี่ล่ะเงาประมาณจะกห้าสอบเตียงสูงประมาณสอบหนึ่งแล้วมีเพชรยางลูก ป, ปีหย่อนลงมาแกะมดไม่มีเบ็ดท้า เอาผ้าห่มเอาตีนเห็นอยู่มือนอนโปหนนาออกดูงามที่สุดเขี้ยวกรในอนได้กราบได้ไห้ขอโทษจนเอาจมูกดมไม่มีหอมไม่ไม่เห็นเมื่อเป็นเจ้าน้าจะกราบสาธี ถามซิกออกมาออกมาทั้งเก่าพอออกแล้วตักดูเล่นกึบ๊บชะตงนอนสินี่เจ้ว่าฝันกันไม่ใช่ปรกับสะดตงนอนอยู่ในขันสินี่แหละใครจะว่าข้าพเจ้าเป็นคนบดก็เป็นนาทีจะว่าข้าพเจ้าขี้บดก็เป็นนาทีนี่ความจริงของ ข้าพระเจ้ได้ทำความดีมาอย่างนี้ขอถวายคนอันนี้ใช้บิณัยอันนี้นิณัยตประเทศจนตายขึ้นไหโลกกมื่นสาตุนไหโลกถ้าแม้อันนี้สงเจริญพระโถให้ผลเป็นนิณัิพระญผ่า น, นยอมเห็นเอตังพุตนาซาจานาตีติ ตัศตัฆวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัวะโตอรหโตสัมมา สัมพุทธนะณโมตตะขวัโตอรนะหะโตสัมมาสัมพุทธะท้าอาจารย์ตุอาจระรรมโมได้บวชมาแต่อายุย1บอวดสาดเจสอายุเกห้า ปีนี่ละจึงขอากราวไว้ถวายแก่สมเด็จชักราเจ้าท่านเจ้าคุณท่านมหาคุณตาคุณยายผู้ถือาศาสนาจงอนุโมทนาสาธารเธอคลับ สุลณ ะ, ะมะฮิริยังพุทธเศรษฐนัมิตวาปาสาศังมะลยังพุทธเจ้านิพพานไปแล้ว600ปีเต็มปัสกามีอุปปัสสุ ป, ปัสิกาคู่หนึ่งหัวก็มีสินห้า เมื่อก็มิสิทธาได้รับพระไยสนาคมสามแต่เก้าพระไตสนาคมเก้านะโคทังสนางขคาช้ามิตากั้ขวาเป็นพระฟุธเจ้าทำมังคาชามิหูกั้ขวาเป็นพระธรรม สังฆคชาไมจะโบกกำขวาเป็นประสงค์คุณพระเจ้าพ่อทุติยมปีผู้ชังคสาไมตากำไส้เป็นพระพุทธเจ้าทุติยมปีธรรมคชาไมหูกำไส้เป็นพระธรรมทุติยมปีสังฆคชาไมจะโบกกำไส้เป็นประสงค์คุณพระเจ้าพ่อสาม พะเแม่สามเป็นฮกพระองค์ยังสามพระองค์ตะที่จะไปพุทธังจะนัจงขนคาสามิปากของเราในละพระพุทธเจ้าตะที่าปไปสมังเส็จคาามิเล่นของเราพาะระธรรมตะที่ะปลิ้ใ น, นในไก่หน้าว่าเก่าแต่ล้อมเข้าเรียกสามพทโทอทำโมสักโข หัวก็มีพุทธโธธมโมะสักหัวเนื้ก็ไมีพุทธโธธรรมสะสักหัวัวก็มีเซนห้าเมื้ก็มีเินห้าเซ น, นห้านี่ละเป็นที่เกิดพระอรหังเป็นที่เกิดพระปจิกรพจนเป็นที่เกิดพุทธเจ้าเข้าเินห้าเข้าขา เข้าแขนเ ข, าข้าคอครับเมื่อเป็นคู่แล้วนะถ้าอรขันลงมาเกิดถ้าสายขันธาคุณตาคุณยายไปได้เกิดบ้านของคุณตาคุณยายอยูอย่ใกล้ภาษาไทยลราเรียกว่าดอกเกต บ้างกระดกเกียงขับผาป่าในนังอยู่ในท้องของคนใหญ่ส้ำไม้ไม่นักอกนักใจท่วนเช็ดเรียนและขอ้อตอบเป็นบุฒิฝุ่นใสเบตดา ม, มันดาจเจงเพชรถวายไว้เป็นลูกศิษย์พระมหาเถระเอาดอกบัว ไปถวายกับโลกูกเป็นลกบุญธรรมก็เลี้ยงไว้ขั้นใหญ่ลูกภาษาแล้วเส็จไปเอาไปถวายพระมหาเถระมหาเถระจะรับไว้สอนกอขอกอกาตามภาษาไทยมีอักษรทมคักสอนขอมเมื่อสอนได้แล้ว คัดความบวชสำเร็จร้ว ก, ก็บบวชให้เป็นเจ้าสมัเนั่นเ็เลยกรรมฐานภาวนาปาลิปุณวิสติปาิบุญครอบยีสิครับ ก, ก็บวชให้เป็นพระท่านเป็นพระแล้วจ้กโลคาโมลาเซนาสนังว่าเจ้ามอมหรือเจ้าขุนหลาน จงกลูกข้า ม, มูลส่วนไม้ถ้าพระเจ้าเป็นพระอาหารหันต์อาศัยต้นไม้เป็นที่อยู่กัดสรุปกับป่านิพพานกับป่ารักษาท่านก่อนรักษาทุกังขวัตฉันเข้าวันละหนมีธรรมะเดินจำกรมทาเดินจำกรมนั่น นะพุทโธนะธรรมโธนะสังโธนะพุทธธอรหังนะธรร ม, มอรหังนะสังโธรหังได้สามวัตถาในสัจเดชอ ร, รหันตานี่ละละท ม, ม, ม, มไม่แวะนอนพอนอนเพศนอนไม่ตกรอบสาเร็จอรหันตาแล้วเบนที่ยโสโพโชนัง เช้าเบนชาบาทเรียกขันท่ามีอุปปาศกอุปศิกาคนหนึ่งหัวกระรักษาสิบหเมียกระรักษาสิบหวัน8คำ่ำอธิษฐานสิบ8เดีนธรมะไม่เป็นหัวเป็นเมียกันนอกกันธรรมดาอุปปาศกนั้นไปหาผักคักหลวงคืน ไปเห็นดอกบัวแปดดอกอยู่ในหนองสะะระเจงแปลดอกบัวแปดดอกได้แค่เดินมาจึงไปพบพระผูเาาเาา้เป็นเจ้าวินธบาทว่าข้าพระเจ้าขอถวายดอกบัวแปดดอกแก่พระพู้เป็นเจ้าตามพุทธทางดอกบัวแปดดอกให้ข้าพระเจ้าบูชาพระพุทธธรรมสงบูชาพระอรหัน ภามาลายก็รับเอาแล้วป้าสภไปเสร็บ้าพูดต่อท่นานญาติวงท่านมุทนาสาสกันเพราะสาเนได้ถาวายดอกบวัวแก่ภาพมาลายท่านได้ดอกบัวแล้วท่านก็เข้าสารโดอ้อที่พระพุทธเจ้าขอดจากกุธรพระมดา ก็ได ap ้บูชาแล้วเทพระพุทธเจ้าสันเข้านางสุสดาก็ได้บูชาแล้วเทีพุทธเจ้าตักเทสาในแม่น้ำเนราสรากรบูชาแล้วเทีพุทธเจ้าข้ามแม่น้ำโกกุธาก็ได้บูชาแล้วเทีพุทธเจ้าไปถึงศิริยะประเทศเขตกุงกุศินลายกระบูชาแล้ว ทพรพเจ้าปองฆานมุสาแล้วที่พพุทธเจ้าเนรพานบุสาแล้วยังแตะธาตุแก่แก่ที่เรามด้เจพระพุทธเจ้าว่าแล้วท่านก็เข้าสารพาเลเทตัวโซดาแมกโซดาผลเป็นสารที่หนึ่งพาเลเทต สาเคชาค า, ามักสาคิชาผลเป็นาส า, านสีทองชาเลดเท่โตอาณาคามักอาณาคาผลสีสามชาเลดทตโวอาระหันตามักอาลหันผ ล, าลสานสีขอไปป่าติฝามึกไปอาศัยเช่นแก้วพยายาติราแชแทบขมไมปาลิกาศาส ในตาวติสงสาเมื่อไปนั่งอยู่ห้างแล้วให้ยาอินทาเิระตนเป็นใหญ่ในตาวติสงสาเห็นพระมาลัยมาถึงนั่นเข้ามาถึงพุทธทางวัฏฐานี้ยอมไหวพระพุทธธรรมวัฏฐานี้ โยมมวถามซังขั้งาทายโยมมาสงาพระผู้เป็นเจ้ามาจากที่ไหนถวายาพวะ้พรบอกใศพระสุภาจากอาตามามาจากหลังกาสวิปสมภูษฐสวิปเอาดอกบวัวมาบูชาถ้าเกิแก่ชุลมณีที่ดีก็โยมจะขอถามเช่ น, นครับ เป็นอาละคนไปถือดอกไม้ดอกบัวอย่างคนชาวบ้านใช่ไหมล่ะคนชาวบ้านนี่ต้องมีดอกไม้ดอกบัวข้ า, าพุทธเป็นเจ้าเป็นอาะละคนน่ะทําไมไปเล่นของบาสนาทบุญเจ้าถวายาพระพรดอกเหตุลละทุกข์าน อาตมาจะพูดนะเมื่ออาตมาเกิดมาเกิดจากโลกิญญาพ่อกับโลกิญญาแม่กับโลกิญญาเมื่ออาตมาเกิดมาเป็นเด็กน้อยคุณพ่อคุณแม่เอาไปถวายท่ามาหาเถระมีดอกบัวเมื่ออาตมาจะบวชเป็นเดชก็มีดอกบัว ฮันนี่จะ b u a เป็นฟ้ากับมีดอกบัวเ <c oughs> มื่อมีดอกบัวแล้วเ ม, าามานนื่ออาจจะมาบรรลุธรรมเนี่ยอุ๊บปาศกน้ำเอาดอกบัวมาถวายนี่อาจะมาจะได้เอาดอกบัวปาศกมาตั่นจากขันาขาห้าไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องกินน้ำขันห้า มันจะไม่ดอกบัวลูกเวทนาสัญญาฉาขาันเนี่ยนเป็นโลกอย่างนี้นใจเป็นอรหันต์ก็พรพุทธจะขาดาเป็นอรหันต์แล้วก็ยังกินข้าวอยู่สวายผ่อนถ้าอินทรีย์แท้่พระพุทธ เ, เจ้ า, าอาตจมาขึ้นมานี่ว่าพระเององค์นี้รักลูกสาวเขาไม่ใช่เหรอ ที่เราไปเะนอป่าวป่าเป่าเว้ยที่กป่าไรว่าไม่กินเหม็เราตั้งตังเลยโอ้ยโยมขอโทษโยมขอโทษเมื่อโยมเป็นนาทีหน่มาดกยาที่น้องเสิรไปเอาลูกเขยไปคำให้เรา ถ้าไม่ทำกับเขาเขาจะเอาล่าวอับยอมกอดแสดงมาเกินๆๆเก่งอ่ะาเรามาเดิมกึกกๆพอคิดแล้วรู้แล้วยอมคขายออกเถีงปาริเรนสุดเจ้าอาตมาเชื่อว่าบอกกินนี้พูดนี่อยู่ตั้งตั้งอยู่คนไปรักอลูกสาวเขาล่ะทำไมเป็นภัยอิกทรัก โยมเช้าเราปัดฟันนะก็โยมนี่นะงันทิ่งามานุษกรรมของโยม ม, มีมีเมียสี่คนนางนึ่ <c oughs> นางสุธมาสุ้นันทาอุตราทากันทำวันทางให้สม บ, บูรณ์วันทางทากันทำขึ้น ธร ม, มาโะโพสโกเป็นภาษาเก่าเป็นภาษาใหม่ในอำเภอไปฟ้องต่อข้าหลวงระจบจังหวัดว่าคนพวกไม้คิดทำลายแส่ดินข้าหลวงระจบจังหวัดไม่คิดจะหาเหตให้ํำรวจผุ้ทเป็นมาฆ่าฟันด้วยดาบผมกล้าก็ไม่ตาย ไห้สร้างแทนพระละอันนี้สงสารกูแรงสร้างก็แทนได้เมื่อเห็นอย่างนี้จังหวัดไห้สร้างเป็นฐานะย้อมเกาสร้างรากไม้สำเร็จแล้วสร้างน้ำบ่อบ่อหไปเอาไม้ไผ่มาทำ เป็นตู้สำนักไก่สลาไ้เก็บหินมาเป็นเตียงไก่สลาทานั่งเม ป, ปริสุดทังผู้ฆ่าทั้งหลายได้ทาทานท่านหนนหงทาง น, น้ำบ่อไปเอาไม้ปุนานาคมาปลูกไว้เป็นทิ้นมอาศัยแต่นางสุสดา ว่านางสุสดาคุณนายซอบขาวตายแล้วอุปทธานขาวมาเป็นนกงางเสือแต่นี้ไปอย่ามีผัวสอกอาหารปลาตายจะกินแลวโยมก็กลับขึ้นมาอยู่ภาสารนางนกงางไม่มีผัวสอบหาปลาตายไม่มีเลตายอดตายยา ตายจากราดลูกยางแล้วมาบังเกิดเป็นลูกเสาหมอนตีหมอร่างกายของคุณนายเต็มไปด้วยชีตกขีเปิดชีดโคนเพราะเป็นเมียของผมโน้มลงมาว่าคุณนายนายสร้างลูกนางหมอนฉันเอาทองคำเท่าลูกฟัก ฟังไว้ที่ดินคุดเอาหม้อนะเมื่อได้คำํำแล้วย้าวออกเสีเดียวคนไปฟอกรัฐบาลเขาจจ้าใจยึดเอาเป็นของหลวงคําก็เอาออกทีน้อยหม้อก็ขายคําคําก็ขายเมื่อได้คำํคำแล้วทําสลาหลังหนึ่งคุดน้าบอ่อแบกข้ามเส้นผ้าคํา ให้ทานอาหารหวานอาหารข้าวอาหารคนเท่าคนแก่นางสาวน้อยแต่ชิ1สี่ิห้าปีไปจนถึง1ิดแปดชิเก้าบ่าวน้อยทำทานเิดจนมืดสองคำจากทีทีและยอมกับไฟฉวัด น, นางลูกสาวช่างหม้อนี้ทับทานอย่างอยอมว่า อายุแปเซแตกจากขันมนุษย์เอาวิญญาณมาเกิดเป็นลูกยักษ์เบยสาจาโตวากุมพันโดวากุมพันเดวัญยักโควายักษคนวากมาเกิดแล้วไม่ใช่ยักษ์พ่อเป็นยักษ์แม่เป็นยักษ์ตัวอย่างชาวไทยครับ พ่อดำแม่ดำโลกเพริ๊กนี่ละเมื่อมาเป็นโลกสาวนักแล้วอายุสิบหกปีพญาอินสวนประกาศหนักกรมพันโดวาเยหักแปดหมื่0สี่พันตัวจงเข้ามาในปราสาทตลาดสวังของเราเราจะเสียงหาลูกเขยเสียงดังขึ้นไปในอากาศ ขอกเมียของเรานัเกนงเจงได้ลงมาอา่าเทศอทายกายนักเกอายุแปเ้าไปหมู่นักนักทั้งหลายเขาก็ถามว่าไอบานยอายุเท่าไรอายุของไอานเก้ยเขาจะตายว่า บ่อายกับบ้านกับเมืองเลอเท่าหัวขาวเฮ้ยอย่าไปไหว้จังงั้นพเจ้าเพชรลินประกาศไม่มาไม่ได้ขอขาดบานตายพระเจ้าเพชรลินต้องการเจ้าเพชรถอยได้ถ้าไม่มาเพชรกดถูกเข่นสุขฆ่าไอ้บาจึงมาง้าง สุดดาเสียงพร้อมอะไรดอกไม้ไปที่หนึ่งก็ไปซับซุบหัวหน้าแก่ที่สองซุบหัวหาแก่ที่ซุัแก่เสนาบดีกระทรวงมหาดเนีพระเจ้า่ะาลกเคยมหาราพระเจ้าจะตายแนี้ควรเปลี่ยนไหมพระเจ้าพระเจ้าจะเปลี่ย เขาไปให้บาวน้อยเอ้ยไม่ับไปแล้วเขาเจตาใจจริงควายเท่ามันชอบหน้ออ่อนเท่าหัวดอนมันชอบเนื้สาวได้เมื้หนุ่มซึมของหัวใจไม่ได้แก้มาันอีนี่เขาว่ากัเท่ากระสัง ย้มกับอธิษฐานเทชรนักหายกายเป็นอินอูบเอานักสุดาหอกไปหน้ากาดขังชาพองวาขันเถ้าโมูยักไในพอใจยิงปืนไฟขึ้นไปตามสินปพชประสารตกลงมามนุษย์เอาฟ้าผ่าขวานฝ้าผ่าขันฟ้าผ่าเอาน้ำเหล้าดับมันหายพาควายเอาน้ำเหล้าใสพาให้น้ำสธธใส ที่งัดมาเกี่วนี่ละ่ะพ่อเป็นเมียของผมครับเมื่อแล้วบนทธนานเช่นไดโสเทวุตโตมีเทวุตองหนึ่งมีปริวาลร้อยหนึ่งมาไว้ชาตเกตแก่จุลามณีสักโกเทวลาชาเทวุตตัวนี้เขาอยู่สมภูฐวนเขาทำาังไงอ๋อเินดูกับปา คนทุกเกี่ยวหน้างัวเกี่ยวหน้าควายหน้าม้าขายในวันหนึ่งใชบุองค์นี้มีข้าวพไม่เกี่ยวหน้ากาสองแม่ลูกกาไปใชองค์นี้เอาข้าวโยนให้แกกาแม่กาข้าบไปแล้วลูกกาซักหัวลูกเพราะความหิว เทวบทิกันโยนข้าให้แกกาแม่กากินอิ่มแล้วแก่แก้แก่แกลูกกากรมาอันนี้ล่ละขันจะตายแล้วเลิกถึงทานเข้าวแกกาจึงเอาบิญญาณมาเกิดเป็นเทวบทนี่พระพุ็นเจ้านั่งอยู่วัฒนานชัยโสโถเทสะโตพระพุทธเจ้าเมตตายนอพุษกุล อันนี้รัดเอาได้เนี่ยมันนักแลกทานางฟ้านางสวรรค์มาหลายล้านหลายแสนเสียสารมันนะอย่างแก้วอย่างทองหลายเอยล้านนั่นคือใครละ่ะนั่นละพระเมตไตเมื่อมาเชงแล้วขอท่านพระคุณเจ้าถามมาเถิดพยายินชาชล์ออกไปอยู่ประสาร โสพูทิสโตรพระเมตไยเนี่ยพูดเจนก็โดยบาลามียี่เซบอสูงขายแสยงฮากับมาเถิงแล้วไปไว้ทาตุแกแก้จุลมณีเจดีฟริจจัพฉันเลือกเจงเข้ามาถ้าพู้เป็นเจ้ามาจากไหนสวายพระพรบพิษพระลักษณ์ทุกข์ผา อาตามามาจากสมุูรสาครรังกาสวครเป็นลูกที่จเจ้าโคธรมะอ๋อแล้วจึงมาถึงอาตามาจะขอถา ม, น, ปปมนี่ลกพระเมตไตรยอมนี่ลนะพระพุทธเจ้าเมื่อไรจึงจะลงไปช่วยาศาสนาเจ้าโคธรมะถ้าควรจะไว้ เมตาทนาพระเจ้าโคธมะศูนยากับไม่มีพุทธศาสนามิจะสัต์มนุษย์ฆ่าพันตีไปแล้วนะมนุษย์ขอโทษไม่รู้จักแม่ไม่รู้จักพ่อพี่เอ้ยเอากับน้องก่อนมิน้องเอาพี่เอ้ยกมิขอโทษยอย่างงัวอย่างควายอย่างแพ เปื้อยกายกันมีบกเปื่อยกายกันมีขายกามกันต่นมีอย่างทศเดชะเกิดลูกมาอันนสั้นสัตายเกิดฆ่ากันฟันกันแย่งกามกันเจ้าพิ่ท่าปัญญาเฉลิญญ า, าลบกันบาดลบกันเลือดไหลในแผ่นดินแล้วคนที่ัวตายยิงก็มีใส่กันเนื้ไปอยู่ในป่า พวกกรรมสันเอากันอย่างวัวอย่างควายเกิดฆ่ากันมัดเลือดเน่าไหลไปในพื้นแถดินแสงพระเทศตดูดมัดฝนแค้งโตกลุ่ตั้งกลับหมยคนชื่บ่มีศีลตายมาแล้วยิงมีซายมีมจิไปอยู่ป่ปปาเย็นแล้วออกมามาถามว่าท่านอยู่ไหนอยู่ที่นั่นเลินี้เมตตาเช่กันนะครับ เกิดมาเสพโคกครับเกิเดโลกมาอายุสามสิบปีจึงตายโลกสามสิบปีเสพเพื่อหกสิบปีจึงตายโลกหกสิบปี5้ารอปีจึงตายโลกห้ารอปี1000ปีจึงตายโลก0 0ปีสองพปีเวขึ้นแปดหมืสี่พันปี งามที่สุดทิศหินแม่ยิงใบหน้าอย่างเดือนได้หาคำบุ่นสินเหมืนขังสีหลังแก้วมานในสดไม่มีสีดำตาบอดหมูโหนกปากแหวงเค้ทุดเค้กะกเค้เขียงเค้เยี่ยงไหนนีโลปาลำมันดังโลกสิท ได้แปดหมื่นสี่พันปีแล้วมาโจรตนากัร น, น่ยคนเรานะี่ยนี่ตายหรือเออข้าได้แปดหมื่ปีละไม่ตายว่าข้าว่าตา ย, ยบอกไฟเมื่อจดขึ้นไปในอากาศแล้วถ้าเม็ดดินย่อมตกลงคนเรานะี่มันเม็อดอายุจบสายบางคนก็ไม่ใช่เสียงมกนา อายุมนุย์ลมาี่หมืนปีเมื่อไย่มจะลงไปอายุถงสี่มืนปีแล้วยอมจิลงไปช่วยศาสนาตายขึ้นไปสักดหมืนตายย่อลงมาสี่มืนปียอมจิตใลงไปเกิดเมืองเจโตตนครเจ้าเมืองอะไรไม่รู้ไปเกิดแล้วเป็นพระเจ้าจักรพรรดิสองหมืนปี ตึงอายุแล้วออกบุตรเจ็วันได้เป็นอรหันต์นี่ละพระคุณเจ้าถ้าผู้ใ ด, ดจะเห็นหน้าพระเมตรเนืจงฟังธรรมเวทสุธะให้แล้วเมื่อหนึ่งวันเดียวจะเห็นหน้าโยมแล้วคนไม่เห็นหน้าโยมนั่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพ่อเท่าฆ่าแม่เท่าไม่เห็นหน้าโยมแล้ว สังฆเพศยุ่งแให้สงเพศกันไปเห็นนั่นอยู่แล้วประหลาดปลาดเพศยุ่งแย่ให้มนุษย์ฆ่ากันไปเห็นนั่นอยู่แล้วทำลายรอยพุทธบาทพระพุทธเจ้าก็ไปเห็นหน้านอยู่แล้วทำลายไมโพธิให้พระพุทธเจ้าตัดทะลุไปเห็นหน้านอยู่แล้วให้ชายุคลิกาสร้างรอยพุทธบาทเป็นพุทธบูชา เอาไม้ไปปูกไปทำลายก็ไป่เห็นนิยมแล้วนี่ข่าคนไม่ยุดนยอนไม่เห็นนิยมเห็นควายฆ่าควายเห็นคนฆ่าคนไม่เห็นนยมลักมักทิกมักเขือลักนกลักไก่ไ่เห็นนิยมปลาพึ่งที่ในการเสีบกรมเสีมัวูเสียบควายเสเียบเบียยก็ไม่เห็นนยมซับปราลิ้นเปดทลนี่ยไปเห็นกินเหล้าไ่เห็นนยม พวกนี้เมื่อนิยมไปเกิดเขาอยูเอาวีจีนะพระคุณเจ้านะ่ บ, บเน่เห็นดับเหตุนั่นพระคุณเจ้าจงเอาธรรมนี้ไปประกาศในถึงคุณเ้พทั่วถึงอยากเห็นหน้านยอมฟังธรรมบญสสระให้แล้วเมื่อหนึ่งวันเดียวให้พากันทำทานการกุศลใส่บาทอย่าดนำ้ำเมื่อยังงนมเลี้ยงลูก เลี้ยงหลานถ้าลูกตั้งตัวหลานตั้ตัวพวกพี่ไปดำดาจงชละออกบวชตายกับใจตายนอย่างใจยังไงนุ่งผ้าขาวแปดขําผ้าขาวเส้นขาวนอกอนก็น่าจะอยู่คนหลูกหลานให้บวชใจบวชใจยังไม่ท่าพระคุณเจ้ากายไมขาด กายก่อกายเป็นสินใจก่อเป็นสินกาญยะกายไม่หลับทรัพย์กายก็อกายเป็นใจสินกาญยออกบวชไม่มีผัวมีเมียกายก็อกายเป็นใจสินกายาะกายไม่ขี้ปดกายเป็นสินใจเป็นสินกายยะกายไม่กินเหล้าใจคือกายสินโยกเข้า เจตหมายขาดทัพเจตเป็นเส้นเป็นสานเจตกับเป็นนิพพานจะหัวใจเจตหมายหลักทรัพย์เจตเป็นเส้นเป็นสานเจตกบเป็นนิพพานอย่างหัวใจเจตออกบวชขาดทั่วขาดเนือเจตเป็นเส้นเป็นสานเป็นนิพพานเจตในเขปปตทอระยุทธจอมของเจตเป็นเส้นเป็นสานเจตกัเป็นนิพพานเจตในกินเหล้า เจิตไม่เดาหิจตเป็นสิ่งประจักใครธรรมะภาโพธโ ท, อ, ท, โทอลหังธรรมโอลหัสังโฆอลหังวันพดโดพธิ์โพธโทอลหังโพธโทอลหั ง, งมโพธโทอลหังสองครธรรมโมอลหังธรรมโอลหังธรรมสังโฆอลหัง ให้พระผู้เป็นเจ้าไปประกาศศาสนาคาถาพรมะอะไบอกไว้ถ้าผู้ใดได้แล้วขอให้ภาวนาอันนี้เถิดถ้าไว้ไม่แก่เจ้าคุณสมเด็จสังฆราชและธรรมหาสศรษโคคุณตาคุณยายพวกเราถือโทษอันนี้หลักโทษผู้ยังเอาบุได้ก็เป็นธรรมดาถ้าอาจารย์ทื่ออจละสมา อธิบายบาไรงี้ ย, ยสูตรยางย่อหอปฏิวัติจติญาท้าบริวารผูลาปลิผู้เล่นติสรางลังเอวเมืองดังเตตนาอุปการปติสังตุยขัางคิดปรเมทันตูซเพผู้เล่นตูสังกปาจันโทปาาัญญารสุยทถามนีโสติราสุนทานซาพีติโยวิวัสัตตุพาโควินาสตุมาเตก ภาวัตตวนตารายโยสุขีธิคายโยโกภาอภิวาทนาที่ดิเตมชาปจานิโรจตาโรธรรมอัญจวันโดสุขังพลังอัญจวันโดสุขังพลังอัญโยสุขังพลังสวัสดีและย่อเนาะมันใหญ่กว่าของไอ้กุดน่ะเท่มผัวกุดไปเป็นเมียสายโจยคุณนั้ อยู่ 2-3 วันมีสายจูขอาคลงอาบน้ำเห็นลักหนีไปเอาคนที่เป็นผัวไม่แห้งใหญ่กองกองกระด้างอันนี้ตามไปมึงลักมือต่อยหัวกันอันนี้ก็ได้เมียกูเมียมึงสาดกันคู่เดียวกันใส่มัวให้กันเท่ากันดา ฟันเท่ากันปั้กมกันคมก็เท่ากันเอ๊ะยัยงก่อนเนาะเรียกเนี่ยโอ้ยครูเดียวกันคู่เดียวกันเท่าไหรมวยกับครูเดียวกันดับครูเดียวมะ เ, เลิกเลิกเลิกเขาจะเอามันมสั่นนี่แต่เอามันเป็ น, นเมีเยพระเจ้าแผ่นดินไปอยู่ในป่ามันซกพระเจ้าแผดินลงเหี่ยวมันเอาฝัวกุด เอาัว ก, กุศลแล้วทานไลา่านี่มาอยู่ที่นั้นมาเอากับผมมันก็เท่มต้อสร้างยาวๆนี่ล่ละโูราณจังหวะยิงสี่ผัว5้าผัวหนึ่งพระเจ้าพระ น, นินสองไอ้กุด3ส ไ, ได้ส่สี่ผัวต้องเอาเาเเวลา ด, ดเราจะเอา เลิกเถอะเขาก็ไม่เอามันก็หนีตามผัวใหม่ดา ก, กุตัดหัวกุไม่เอามึงหนีตามผัวเก่าดาตัดหัวบ่เอาเขาเลยหนี